ต้องทำกนัน <c oughs> เป็นอาชีพของพวกเราเหมือนกับเาไล่ชาวนาเป็นอาชีพนักเรียนนักศึกษาเป็นทํงานาที่นักเรียนนักศึกษาต่อค้า อะไรทาหน้าที่เรียกว่าอาชีพเราเรามีสิขาและทำเป็นคระเี่ยงชีวิตเป็นอาชีพของเราก็ต้องมีการพูดแต่เรื่องนี้กันไม่ใช่พูดเรื่องข้าขายไล่นาข้าวงามอ้อยงามมันงามได้กำไรขาดทุนไม่ได้พูดแบบนั้นพูดเรื่อง ก็เรื่องใจของเราเนี่ยเรามีโอกาสมาศึกษาเรื่องนี้ให้มันจบซะ <c oughs> อะไรเป็นสังขานอะไรเป็นวิสังขานอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นทุกข์อะไรดับทุกข์ อะไรมันโกรธอะไรมันโลภมันหลงอะไรมันไม่โกรธมันไม่โลภมันไม่หลงเพรานั้นเราไปเรียนทามาทําการมือนกับการชอบเมือนกับการทําสงครามไม่การแพ้ไม่กันชนะ แต่สงครามนั่นชนะคนอื่นแต่การปฏิบัติธรรมชนะตัวเองแพ้ก็แพ้ตัวเองเวลามันหลงเกิดแพ้แล้วถ้ารู้จักชนะความหลงก็รู้จุกตัวเพราะควาหลงนั่นและ ว, ว่าชนะแล้วหลงที่ใดชนะทุกทีตัวรู้หลงที่ไหดก็รู้ที่นั่น ตรงกันข้ามเข่นสังขารวิสังขารสังขารคือความปรุงวิสังขารคือหยุดปรุงปรุงทางไหนแต่ก่อนปกติอยู่มันปรุงทำให้ไม่ปกติผูฟูแฝดแฝด โดดโล ด, ดต้นไปตามสังขาร น, นั่งอยู่ก็ปงไปนอนอยู่ก็ปงไปทําะไรอยู่ก็ปงแต่มีอาีบสังขารเนี่ยพยายามเป็นใหญ่พยายามเป็นเจ้าเรือนตัวสังขารเราก็โดดโลดเต้ไปตามมัน ไม่รู้ตามความเป็นจริงเกิดจากกายสังขารอยู่ที่กายก็มีจิตตสังขารอยู่ที่จิตก็มีเป็นปุญญาพิสังขารเป็นบุญก็มีเป็นอปุญญาพิสังขารเป็นบาปก็มีเป็นเรนชาพิสังขารยังไม่เป็นบุญเป็นบาปพร้อมที่จะเป็นบุญเป็นบาปได้ก็มี บางทีก็วิ่งไปตามสังขารมีการผิดพลาดเจือผู้เจือคนได้แสดงออกทางกา ย, ยกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นบททบทต่อตัวเองต่อจึงอื่นวัตถุอื่นเจือเวลาบางทีชีวิตของ สัตว์โลกก็มีสังขารเนี่ยคลองถ้าไม่มีวิสังขารคลองอ้อตกเป็นทาสของสารตลอดชีวิตตกเราจะงมีสติคอยดูแลเหมือนมีเจ้าของกายเจ้าของใจ ถ้ากายใจไม่มีเจ้าของสังขารก็ข้อมาครองเป็นกายสังขารชาเป็นจิตตสังขารชามันเถือนเราจะมาคลองกายคลองใจของเราโดยมีสติสมัญญาดูแลเห็นการคลองคือการเห็นการดูการคลองบ้านคลองเรือน ดูอะไรมันไม่ดีก็แค่ไขอะไรมันดีก็ทำให้ดีขึ้นการของไม่ใช่มันไปนั่งเฝ้ามันดีขึ้นจากกรรมฐานเป็นวิปัจนาดีกว่าเก่ารู้ก็ลองรู้อยู่ที่กายเป็นกรรมฐาน ถ้ า, ากายมันจะผิดไปไม่มันผิดเนื้อพ้นจากความผิดตัววิสังขารพ้นจากความหลงเป็นวิสังขารพ้นจาความทุกข์เป็นวิสังขารพ้นจากความสุขเป็นวิสังขารพ้นจาความรักความชังเป็นวิสังขารนี่คือดูแล ก็อยากกระโดดลดเต้นไปตามมาันบางทีมันก็เป็นใหญ่เช่นเขานะั่งใครไปไปเริ่มไปก่อสร้างช่วยเพื่อนที่ตั้งวัดใหม่ต้านเกิดอเบอวังสะปุง เราไวอยู่มังเลยก็เพื่อนเขาหนีไปเขาให้เราดูแลงานก็อยู่กับพระนุ่มรูปนั่งเกิดวันไหนเนี่ยช่วงเนี่ยช่วงออกวันเาเนี่ยมันจะปร่งมากสังขารนะพระน่ม หรือว่าสมมุติปัญญตดเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้นกกวาวก็ร้องนกก็โดกก็ร้องเจ้านาเจ้าวสวนเกี่ยวเข้านุ่งของเกงสวยๆแต่งตัวสวยๆพระน่มก็อยู่วัดก็วงไปตามสังขารมาลาจะไปไหน เอไม่บอกว่ายังไม่รู้แต่ว่าขอไปก่อนก็บอกว่าผมก็อยู่องเดียวท่านเข้าบ้านก็อยู่นี่ผมมาช่วยเฉยๆทำไมหนีไปห้ามก็ไม่อยู่ <c oughs> ไม่ช่วยกันดูแลงานเนี่ยกำลังตั้งศาลากาลังทาห้องน้ำห้องส่วมอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ ต้องไปเจอก่อนต้องไปเจก่อนจะไปไหนล่ะยังไม่รู้ว่าจะไปไหนก็เตรียมกระเป๋าอยู่คนทีส ก, ก็มาลาก็ห้ามามยูยกก็ไปแล้วก็อยู่คนเดียวแล้ไปแล้วที่วัดจะต้องไปขึ้นรถวังเจ้พงเนี่ยมาต้องกกล ขป้นรถบ้านขมิน้นไม่ใช่วังเจพุงว้านเกิงต้องมาขึ้นรถบ้านขมิ่งเดินเกือบสิบกมเขาก็เดินขึ้นโคกจากบ้านเกิงมาหาบ้านโครกขมิเมนเป็นโคกเดินมาขึ้นโคกมาข้ามโคกมาไม่นานไม่ถึงสองสามชั่วโมง เห็นถือโป๋กกลับไปไปหาผมไปหาหลวงตาเทวะได้ถามว่าไปถึงไหนหรืทำไมไม่ไปผมก็ไปนั่งอยู่กลางโคกไม่รู้จะไปไหน <laughs> ไนั่งอยู่ให้เราจะไปไหนยังไม่รู้คิดไม่ออกมันก็อยากไป แต่พอคิดไปคิดไปเขาบ่าเขาคิดไม่ออกว่าจะไปไหนผมเลยกลับมานี่ก็น่าหัวเลาะเหมือนกั น, นี่สังขารมันหลอกนะหลอกให้ลาถือกระเป๋าเงาะเดินขึ้นโคกไปถ้ามีสังขารที่มันปรุงลอยๆนี่มันก็ก็เพื่อนย้ายเราได้ในอำนาจ ตาสังขารที่มันปรงเมย์จุดหมายปลายามก็ทำสำเร็จจะไปพ้นไปขี้อย่าไปอ ะ, อะไรก็ได้กระโดดไปตามสังขารก็เลยเป็นธาตุของมันอยู่เสมอเราจะมาเป็นนายมันให้มันเห็นมัน มันก็มีอยู่ในใกายใจเรานี้ไม่รีบรับมันเกิดขึ้นเราก็เห็นเละตรงกันข้ามกับภาวะที่เห็นภาวะที่เป็นกับภาวะที่เห็นมันตรงกันข้ามพอดีพอดีแต่เราไม่เคยใช่ไม่ใช่ภาวะที่ดูมักจะไปใช่ภาวะที่เป็น จากพูดก็พูดจากคิดก็คิดจากทำก็ทำไม่กลองไม่ผ่านไม่ผ่านภาวะที่ถูกต้องบางทีก็ต้องมีอะไรที่มัน ที่พอจบพึ่งได้เช่นลูกเต้าพึ่งพ่อพึ่งแม่จะไปไหนพึ่งพ่อพึ่งแม่ถามพ่อถามแม่พ่อแม่มาให้ไปอย่างคนนกโทรมาหาหลวงตาอยู่ญี่ปุ่นอยากจมาสุกโต หลวงตาก็บอกว่ามาได้สุกโตก็ยังเป็นสุกโตอยู่แต่ว่าพ่อแม่ไม่ให้ไปก็ดีแล้วถ้าแม่พ่อพ่อแม่ไม่ให้ไปก็ไม่ต้องไปเชื่อพ่อแม่ถูกต้องที่สุดถ้าไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่คือว่าผิดแล้วอย่าไปนะสุกโต ถ้าพ่อแม่ห้ามกร่วงเกินพ่อแม่ก็ถือว่าไม่ถูกต้องโดยสุดนลหอ่กาชีวิตของเราก็เช่นกันต้องมีครูอาจารย์ถ้าผิดก็จะผิดคนเดียวบางทีคนอื่นอาจจะไม่ผิดมีอยู่ อ่าทุกขก็อย่าทุกคนเดียวคนอื่นอย่าไม่ทุกข์อย่าตัดถึงใจคนเดียวถ้าไม่มีหลักในการใช้ชีวิตอาศัยคนอื่นเชิงอื่นด้วยเช่นหลงตาเวลานี้ก็เดินก็อาศัยไม่เท่าไม่เจ่งว่าอาศัยไม่เท่าเดินเาเดินในวัยถ้าไม่มีไม่เท่ามันก็ มันก็ประมาทถือว่าตัวเองประมาทในความสุขในความทุกข์ในความเพียรอย่ตัดฉิ่งใจคนเดียวให้คนเดินรู้ด้วยบางทีเรากำลังตัดถิ่งอยู่อาจจะผิดได้เช่นแม่แต่พระเจ้าพระเจ้า ฝดเฉที่โกศธที่จะไปปราบโจรผู้ลายองคุณมารตลาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินะจางมาทางเชตะวันมากราบทจรพระเจ้าจะไปปราบโจรผู้ลอยจะเห็นว่าเป็นชไหนองคุณมารมันเป็นโจรลายมันฆ่าคนแระหนาทพระเจ้าเ ป, ป ร, เรี้ยเฉิพาทาหารเาน เตรียมจะไปจับโคลิมานล้อมแต่ทำไมมาผ่านเทตะวันมาทูลถามพระพุทธเจ้าั่นก็ยังมีประโยชน์แต่จะไปฆ่ากันรายเป็นคนเนอทาไปเลย กลาเป็นผู้ว่าถามองค์ธิบาลเปเลยที่แรกว่าจะไปฆ่าต่อพระเจ้าบอกว่าอันที่พระเจ้าเป็นเสศนจะไปฆ่าองค์ธิมาลถ้าเขาเป็นคนดีถ้าเขาเป็นพระพระเจ้าพระบาทไปบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะว่าประการใดทำาัง่ง เจ้าประเสริฐนี่โกรธสนก็ฆ่าผงจะอบาถธรรมเงินพายสองรูปนั่นนองสองพระมาร ก, ก็เป็นโยอมว่าเจ้าประเสริฐนี่โกรธสนก็เป็นผู้ประทับไปเลยแทนที่จะไปฆ่ากลายเป็นคนดีไปแล้ว บางทีคนที่เราคิดเกียดเขาเขาอาจจะเป็นคนดีตัวนี้เรารักเขาเขาเอาจจะเป็นคนชั่วได้อันนี้คือสังขารถ้าแปลงความรักก็ต้องรักแบบพทธเจ้าพระเจ้าเป็นยอดนักรักไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เป็นสังขารเป็นปัญญาเป็นวิปัจฉนาเป็นวิสังขารมันเหนือความลักเหนือความโกรธเหนือความพอใจเหนือความไม่พอใจอวิสังขารเนี่ยจับจับมาใชา้ จับความรักมาใช้จับความโกรธมาใช้เอาประโยชน์จากจอมรักความโกรธพระองค์เคยเดินไปในพาพระพิกษุเดินไปในป่าเหี่ยวพากันกระหายน้ำ แต่น้ำมีนิดหน่อยจะทำยังไงก็บอกพระอาอน์นิดหน่อยก็ประโยชน์ทำยังไงจะตักก็จะคุณจาเามือกรอบขึ้นมาก็จะคุณเจ้าเจ้าก็บอกาอาอนท์ให้เอาสังขาติวางลงไปเหมือนน้ำ แล้วค่อยก้มดูดเอานิดหน่อยก็ยังดีมองประโยชน์แม้แต่น้อยก็ยังมองประโยชน์คนไม่ดีก็มองประโยชน์วันนี้เขาไม่ดีพรุ่งนี้เขาคงจะดีอย่าไปตัดขาดเธอเผื่อไว้ในเดี๋ยววิสังขารมองตรงข้าม ในตัวเราก็มีเหมืนกันบางทีเราบปชดตัวเองเคยมีคนประชดตัวเองเ <c oughs> อามีจีตัวเองน้องตาไปดูแดงเต็มตัวไปหมดบางทีก็ทำลายตัวเองได้ บางทีก็มีปุงแต่งปุงปุงแต่งแต่งอันสังขารเนี่ยระวังมีสติมีสัมผัญญะเป็นเจ้าเรื อ, เ อ, อ, อนเอาไว้ตกตนเอาไว้ชีวิตเราก็ต้องมีการเกิดเจอเจ็บตายเตียงตัวไว้ ต้องเห็นมนเดี๋ยวนี้เกี่ยวเกี่ยวข้องเดี๋ยวนี้เหมือนกับวัดสวนโมกอาจารย์พุทธาตว่าปัญญาที่สวนโมกนี้คคอตายก่อนตายแต่ใครตายก่อนตายแล้วว่าได้เป็นยาสวนโมกอะไรมันตาย ความโกรธมันตายความแก่มันตายความเจ็บมันตา ย, คว า, ตายความตายมันตายไม่มีสําหรับเราเพราะเราเป็นวิสังขานแล้วเหนือแล้วเหนือก่อเกิดแก่เจ็บตายเมื่อมีแก่ต้องมีไม่แก่เมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายอะไรอะไรง้อตรงกันข้ามอย่างนี้ ในโลกนี้เป็นอย่างนี้เราจึงมาลู้ชวันนี้ซะ้ักก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเราอยู่อตัวสังขารเนี่ยอันหลงก็รู้ตัวว่ า, วาทะลุไม่เป็นไม่เป็นผู้หลงแล้วก็เหนือไปเหนือไปเหนือไป อาจะช็กแทกขึ้นไปเด้เล็กน้อยไปเหมือนทางขึ้นเขาก็ต้องตรงไม่ได้ซชกแทกไปซชกแทกไปก่อนตําให้ชันเป็นลาดไปไม่ใช่ขึ้นหน้าผาการปฏิบัติทมการขึ้นสู่ที่สูงเพียงแต่รู้ ก็นั่นแหละมันหลงรู้มันทุกข์รู้มันจุกรู้มันอะไรรู้เนี่ยระบายค่อยๆเอียงขึ้นไปลาดขึ้นไปอาจจะง่ายพอรู้ๆไปอ้าวมาผ่านตัวหลงนานเท่าไหร่สูงขึ้นไปต่างเก่าพ้นะเพาะวะเดิมแต่ก่อนเราอยู่เรินเขาน้าผ้านอน อ็เดินขึ้นมาเท้าเท้าก้าเท้าก้ามาเรื่อยๆก็มีที่ยืนที่พักสนองก็ยืนมองลงไปข้างล่างมันก็มันก็สูงขึ้นขึ้นเขาขึ้นโูนก็ดึงขึ้นสีปะทะ <c oughs> ก็สูงขึ้นไปจนเหนือเมฆ ได้จากเก้าของเราทีละเก้าจากภาวะที่รู้ที่รู้เนี่ยมันก็มีประโยชน์อยู่ถ้ารู้อะไรมันรู้อยู่เสมอมันก็ไปแล้วนี่แหละกรรมฐานมันกันเดินทีละเก้าถ้าอันทุกก็รู้มันไม่ชัน ถ้ารู้แล้วมันไม่ชันได้เป็นผู้ทุกข์ผัญชั น, นสู้กับพรมทุกข์อดกั้นอดทนมันก็ชันถ้ารู้เฉยๆมันไม่ชันมัน <c oughs> ไม่หนักมันเบาเน่ยทําให้มันเบาเรียอวาการละหุตาจิตตะละหุตากวารู้สึกตัวเป็นของเบาอาวะที่เป็น ภาวะที่เป็นเป็นของหนักแล้วก็สัมผัสแล้วมันใช่ได้แต่การถัดใช่ที่แรกแรกก็ต้องพต้องมีไม่สะดวกพอสมควรมังง่ายที่จะหลงตัวจะกรมารู้เนี่ยมันจะง่วงมันไม่ขิน องเอเหงาหอนอนคิดพุ่งซ่านไม่ทันใจเพราะมันจะรู้มันไม่ทันใจมันต้อพุ่งไปซาทําไมทําไมไปษามันง่ายกว่าแต่รู้เฉยๆมันไม่ไม่ไมค่อยสะดวกกว่าไม่ชินถ้าหัดไปหัดไปไม่ชินมันจะเป็นเหมือนกับเราหัดำทำงานทํางาน ศิลปะหัตกรรมต้องหัดมือถ้าหัดมือมันก็เป็นถหัดที่ได้ก็ต้องตาดูก็หัดไปไปไม่ต้องตาไม่ต้องดูไปประเทศอินโดนีเซียไปดูรงเรียนหนังเด็กน้อยเขาถักไม้ไผ่สานหมวก เขาคุยกันแต่มือมันทําไปมันเปียมันเปียร์ไม้ไผ่แล้วคุยกันเปียไปก็ก็ออกไปเปียไปก็ออกไปตัวเด็กตัวพวสองปวสามเนี่ยตาหัดไบไม่ต้องตาดูจับอะไาต้อไปมืต้องไม่ต้องดูหรอเล่นปั้นเชือกเขียนไฟล์เกะขี่ยไหม งานฮัตตกรรมปันเชื่อหล่อตกมองไม่เห็นคนหล่อตกเห็นตะกอกยาแดงแดงบ้างแต่ว่าไม่เห็นคนเห็นตะกอกยาไฟกอกยาก็เท่านั่งโซบุรีหล่อตกอ่าเอ เลนป่านรู้จักเลนป่านไหมพวกเราฮะอืมเขามีป่านนะไม่ใช่ปอนะป่านเนี่ยมันเหนียวกว่าปอเอามาขูดแล้วก็เป็นเช่นเอามาซอยเป็นเช่นเล็กเรามาเลนคำว่าเลนคือพันหน่ะแต่ว่าใช้มือสองนิ้วรูบๆไปเลนเละ ทำไมเลนป่านเพื่อสารเถไม่มีได้ในรสส้อนสมัยโบราณนะสารเถเนี่ยเขาไม่ใช่เอาได้ก็อบป่านสารเถะก็รัวๆก็เท่าสารเล่นป่านมือสองนิ้วตาไม่ดูหรอกเพราะมันจำนานไม่มีแล้วในโลกเนี่ยหมดไปแล้วยคหลงตายังเห็นอยู่ แม่เพียนเห็นบมอแม่เพียนผู้เฒ่าเห็นบมอเลนเีนป่านเห็เนว่าเขาก็เอาเอาเอาสายป่านขึ้นตรงตรงหน่อยห้องมาแล้วก็เลีนมาตามยาวลงมาก็ก็ตรงนี้แล้วก็เลีนขึ้นมาอย่างจำนานมากสองตาเคยทํา แล้วตอกไม่ต้องตาไม่ต้องดูฟันเชือกไม่ต้องดูบิดปอก็ไม่ต้องโร่มันจะเสมอไปเลยมือมันจมหัดเอกอกานหัดถ้ามันเป็นแล้วไม่ต้องหัดอย่าไปยมันเป็นไปนเลยก็ <c oughs> จับปั้มเป็นไปนเลยเช่นเขียนหลายไทยไนงะเขียนลงไปก็เป็นลายไปเลยถ้าเราจะหัดเนี่ย มือมันสั่นเขียนไม่เป็นใ้อ่อนซ้อยมันเขาก็เปินเจ้นเขาเป็นช่างตัดปูนทำรอยบั่นต่างๆนั่นก็เขาทำเล่นไม่มีแบบมือมันไปนี่มันเป็นทำให้มันเป็นไม่ใช่ให้มันรู้ใครก็รู้ เรามาหลงมันก็รู้มันก็เป็นแล้วไม่ต้องไปยกมือสร้างจังบะนั้นเป็นแล้วเวลาเจ็บมันก็เป็นแล้วเวลาจะแก่จะตายก็เป็นแล้วมันเป็นไปแล้วมันตรงกันข้ามนั่นคือรอย่าง เป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์เวทนาไม่ใช่แล้วนั่นก็พอใจไม่พอใจมั่นก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่เป็นอะไรความพอใจก็มไม่พอใจความสุขความทุกข์ไม่ใช่แล้วมันมีอลจฉากว่านั้นเนี่ยชีวิตของเรามันต้องไปทางนี้เป็นสมบัติของเราไม่ใช่ทรัพย์สิสอันทอง นะพระลาหุนตนางพิมพาพาราหุนไปขอสมบัติจากพุทธเจ้าเมื่อโตขึ้นมาเพื่อจะคองเพื่อจะคลองลาดตัวเจ้าก็มอบสมบัติให้ บอกเป็นพากลับบ้านจะมอบสมบัติให้ให้ปฏิบัติธรรมคิดว่าว่าพระเจ้าจะมอบสมบัติอะไรต่างๆให้เป็นเครื่องประดับเครื่องอะไรเครื่องทรงเครื่องอะไรเกล็ดแก้วเจดอะไรไม่รู้จกักเสื้ออะไรต่างๆจะให้พระเจ้ามอบให้ เจ้าก็ายินดีมากๆจะมอบให้ก็ให้เพียนปลากับบังสาลาหัวนู่กับเรานี่นเจ้าก็สอนธรรมาให้ลาหัวก็ได้สมบัติอ่าอ่า า, าได้สมบัติคืออาเรียชับภายในชับภายนอกก็มี เกี่แหวเงินทองของทรงพระฤทธาสมัยเป็นเจ้าพชายตันนี้ก็มอบให้อาริชาปันประเสริฐปัญญาวัตถินน่าเฉยโยปัญญาที่ประเสริฐกวดซ้ำนาทีปัญญาสมาพาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่เป็นอริช์ สมบัติของเรามีสติร้อยเปอรเซนต์ชีิตของเราเนี่ไม่ใช่สัตว์โดยสารทำไมเราจะต้องจนเรามันทุกข์ไม่ทุกข์เป็นสมบัติของเราเวลามันหลงไม่หลงเป็นสมบัติของเราเรามันโกรธไม่โกรธเรามันแก่ไม่แก่เวลามันเจ็บไม่เจ็บเวลามันตายไม่ตายเป็นสมบัติของเรานี่คือหนะ้าที่ของมนุษย์ทางไปทางนี้ จะไปร้องไห้หัวราร้องไห้เสียใจทำไมภาษามันเกิดขึ้นเป็นความคิดขึ้นนาก็ร้องไห้นอนอยู่ก็น้ำตาไหลนอนไม่หลับตาบัญชีขึ้นวานิดหน่อยเชนนั้นบาบางเกินไปชีวิตของคนเราเนต้องเข้มแข็งไม่หวั่นไหว ต้องฝึกตนสอนตนอยู่อย่ากระโดดอย่ากระโดดจะไปจ ะ, ะ่ภาวะที่รูนี่เน่งอันโศกรูมานภาวะที่รู้อาจจะยิ่งยิ้มสักหน่อยภาวะที่เป็นจะบูดเบืง้งเรานั่งอยู่อาจจะบูดเบื้งได้ถ้าภาวะที่รู้เนี่ยจะ ยิ้มยิ้มชั่งหน่อยเบาเมันหลงหัวเราะความหลงมันทุกหัวเราะความทุกก็ได้นั่นโกรธหัวเราะความทกไม่เฉลี่ยตั้หาหัวเลมานันอย่าให้มันปรงกันไปมันมีอำนาจมีความเป็นใญ่ถ้าเราม่รู้เดีกนะ็แล้วก็ เียน้มันถูกต้องหัวหลงถูกต้องหัวทุกเป็นตำนวนชีวิตของเราไม่ใช่ตำนวนเขียนไว้ในกฎหมายพรเจ้าเป็นเดนลงปรมาพิไทยลงอะไรรู้ ธรรมนุนนั้นจะมุ่ดปัญญาตระมาัดเจริญเคยธรรมนนของชีวิตเราเนี่ยมันหลงไม่หลงเนี่ยธรรมนุนของเรามันทุกข์ไม่ทุกข์เนี่ยทำมาที่ปัจจัยทำไมไปเอาความหลงไปทะเลาะกันเอาความโกรธไปทะเลาะกันเอามาเป็นประโยชน์เอาชนะ อาตาหาไว้ที่ตังเฉยโยชนะตนแหลเป็นดีชนะความโกรธถ้าเราชนะมันแล้วก็ไม่มีโทษไม่เป็นกระทบต่อคนอื่นจึงอื่นวัตุอื่นชนะคนลอยข้างบันหนไม่เท่าชนะตนแค่ข้างเดียวนี่พระเจ้าสันเฉยอ่านเอาชนะตัวเอง ตั้งแต่มันหลงรู้เนี่ยมันทุกข์รู้มันฉุกรู้อะไรอะไรก็รู้ก็ไปบทปดยืนหยัดบทจืนบดหลักหลักฐานหลักฐานเอามาขี้เป็นหลักฐานเหมือนพระเจ้า สมัยบาเพนอยู่ใต้ต้นสีมหาโพมีพยาบาลมาทวงมาขู่จะเอาต้นสีมหาโพคืนไปไล่พู้เจ้าหนี พุทเจ้าว่าเรานั่งอยู่นี้นานแล้วจนตะไกล้ลุ่งแล้วเรามาก็ไม่เห็นใครพระเจ้าของเราก็มานั่งอยู่นี้แต่มาบอก ว, ว่าไม่ใช่ของเรามาก่อนถ้าถึงมาเกืนเดียวแล้วนี้ <c oughs> เราคองมาก่อนก็ไม่เห็นเนี่ย เราก็อยู่เนี่ยอะไรเป็นพยานของท่าน่ะพระเจ้าเราขี้เนี่ยแผ่นดินเนี่ยเป็นพยานของเราแผ่นดินเป็นพยานของเราถามแผ่นดินดูพิามานก็ปอดพระเจ้าชี้ใสแผ่นดินทาเท่าเนยกรมวยผมเป็นน้ํา น้ำก็หลยท่วมทับพวกไป่มานใต้แพ่ไปอะไรทรณีทรณีคือหนักแทนแผ่นดินนี้อาจะขี้จะเยี่ยวใส่มันก็เป็นดินอยู่ไม่เป็นอะไรไปนี่คือแผ่นดินเหมือกับทรณีมวยผมเป็นน้ำ พายมานก็พ่ายแพ้ไปจิตใจดักแน่นเหมือนแผน ด, ดินนะเรียกว่าทระเนตอนนี้ขืนแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวนี่คือจิตใชจำยะมันเปรียบเหมือนแผน ด, ดินไม่หวั่นไหวอะไรเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่อ่า อาจจะไม่ใช่แผ่นดินอาจจะเป็นธรรมะแผ่นดินคือความรู้จักตัวเนี่ยอันนั้นเป็นปุกลุลาธิฐานที่เยื่อมาลเกะไรมีไหมเห็นไหมเวลาเราปฏิบัติธรรมกิเลสบาสบวมปงบว ง, งแตง ไม่การมราลักพาปติกะไม่น่าทิฏฐิกามตั่นหาผวาตัะหาวิววาตนะแล้วก็คิดว่าดีทาไปก็ไม่ชอบปฏิเสธเข่ง ว, ว้างเกยวนลุกเป็นไฟตีลุกเป็นไฟข้าในบาทลุกเป็นไฟ กินข้าวชาวบ้านเหมือนกินก้อนเหล็กแดงร้อนหลนมานกิเลสมานขันหน้างานเก็บปอดตอ ด, อดแตดปวดแฉ่แบบงปวดขาโอยโอยโอยโอยไม่ไหวไม่ไหวขันถ้า ม, มารนมันมี ม, นมีขันขันถ้า ม, มารน คนนมก็ปวดขาปวดเอวปวด น, น่องคนปานกลางคนแจกก็ปวดบ้างคันเหนียวข้าวเหนื่อยไม่ล้านั่นเป็นขันมัด จ, จมานม จ, จมานกลัวตายกลัวจะตายไม่ไหวแล้วไม่ชั่วไม่ชั่วกลัวจะตายเอาความตายมาอ้าง มันก็ยอมให้ความตายพาหนีจากความดีตามดีอยู่ไม่เอาเอาความตายเช้มแข็คิดคขึ้นเฉยๆไปแล้วมัจจุหานเจ้าบุตรมานจิตตังความสุขจะเกาะสิสังเดีกว่านี้อยู่บ้านดีกว่านี้อยู่กับลูกกับหลานดีกว่านี้ อันนี้มาอยู่ยังไงฮะอ่ะเผียวบุตรตมานมองความดีมองความทุกข์เปรียบเทียบกับความสุขคนบางคนมีความสุขจะกินอะไรเปิดตู้เย็นถ้าจะกินอะไรเลือกกินได้มาอยู่นี่เลือกไม่ได้มัดมือชก ก่อนมันชวายอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไไดคําว่าไม่มีไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่ว่าอะไรกินจะกินอะไรถ้าคนจนก็ไม่จะมีอะไรกินคนมีก็จะกินอะไรยคนจนก็จะมีอะไรกินไรหิวก็เป็นเตะตาไม่มีอะไรกิน มันอาจารย์สยะสะโลหลังเป็นนักวนเป็นเตดไม่มีอะไรจะกินเวลาหิวข้าวเป็นเตดจะได้อะไรกินนอกใครจะสงสารอเนอะชักเฉโซมอมแมมเดินทางจะกลับบ้านจากวางไทยไป นี่อะไรกินเนาะหิววก็มีคนมองหน้ามีคนสงสารเดินเดินอยู่ปนผู้คนหมอมแมมเสื้อผ้ากัดขาดเป็นเป็ดเราล้วนตัวเองเป็นเป็เพราะความหิวตาโป่งแบบ ไอ้เจ้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาปวดเ้่งพองมาเห็นเข้าบอกให้เดินตามมาถ้าเห็นเชียชโลก็ลังหนุ่มนอมแมมบอกให้เดินตามมาอ่าคนลังคนนี่ก็เดินตามไปจะให้เล่าต่อวะฮะ เคยได้อ่านหนังสือเอานั <response> mm ่น hmm. อ่ะทำไม่ขีกเราอ่ะอ็จะสอนธรรมะต่อไปก็ได้แล้วก็เดินตามไปนะเดินสบายกเดินตามผู้หญิงคนร่างแบงลากไปบ้าน่ปประตูบ้านเข้าไป ก็อบอกไปหาลูกชายพู้หญิงคนนั้นะมีลูกชายรุ่นเล่าเขาเดียวกันกับเทียสโลบอกไป ห, า ห, าห้าห้องน้ำอาบน้ำเรียบร้อยพ่อหญิงคนนั้นก็ลงจากบ้านนี้ไปพลอรังก็งงเอามาทำไม อาบน้ำอาบท่าแล้วออกมานั่งมีลูกชายของผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนบ้างแต่ผู้หญิงคนนั้นหนีไปไหนไม่รู้เรียกหน่อยกลบมาเสื้อเสือ่เสื้อผ้าเสื้อหอออันมาบอกข้าเอาผ้าเนี่ยไปผอไฟริ้ง เอาผ้าใหม่ฮะเอาไปนุ่งไปเปลี่ยนนั่จินข้าวหน้าปวดปวดไม่มีคำว่าเยี่ยมเลยมิแตี่ไปเลยขี่ไปอาบน้ำซื้อผ้ามาไปเปลี่ยนผ้าเอาผ้าทิ้งอันเก่าไปเผาไฟทิ้งเปลี่ยนใหม่หน้จินข้าวที่นี่ หน้าบูดดแต่ว่าปัลังเสยะสาวโรเรียกว่าแม่หน้าบูดบูดเรียกว่าแม่หน้าบูดแม่ไม่ค่อยยิ้มนะหน้าบูดบเพานั้นมองเลยดี่นะเห็นคนหน้าบูดไม่หลายแบบนะหน้าบูดบูดเอาจริงเอาจังเข่ น, เพนพ่อแม่ด่าโลกไม่ค่อยยิ้มนะหน้าบูดบดนั่นละ่ะเทวดาหน้าบูดบูด ไม่ไม่หลอกลวงใครนะั่นก็เจ้าจบแล้วนะ ว, <c oughs> ว่าจะพูดธรรมะไปยังไม่จบเลยพวกนี้จะเข้าองเทีมนะการต้นจะพาเข้าองเทอยมเจ้าเช่าขอจริเข้าวขออนเพื่อนอะไรกับพระพ้อ